162เนื้อความมหานิทานสูตรทั้งสูตรในพระไตรปิฎกหกห้าดูกระอาโนนวิญญาณทีสิเจอายตนะสองเหล่านี้วิญญาณทีสิเจเป็นชไหนคือหนึ่งสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกัน ได้แก่พวกมนุษย์และพวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวกนี้เป็นวิญญาณถีติที่หนึ่งสองสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องในชั้นพรหมผู้บางเกิดด้วยปฐมฌาน และสัตว์ผู้เกิดในอบายสี่นี้เป็นวิญญาณทีติที่สองสามสัตว์มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่พวกเทพชั้นอภัสระนี้เป็นวิญญาณทีติที่สาสี่สัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่พวกเทพชั้นสุภกินหะ นี้เป็นวิญญาณถีติที่ส5ห้าสัตว์ที่เข้าถึงชั้นอากาศสานัญจายตนะด้วยมณสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณถีติทีท่ห้า 6สัตว์ที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะด้วยมนาสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงขั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณถีติที่หสัตว์ที่เข้าถึงขั้นอากินจัญญาจตนะด้วยมนาสิการว่าไม่มีอะไร เพราะร่วงขั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณถิติที่7ส่วนอายัญนะอีกสองคืออาศันยีสัตยายัญนะข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือเนวสัญญานาสัญญายตนะดูการะอาโนบนบรรดาวิญญาณถิติทั้ง7ประการนั้น วิญญาณถี่สี่ข้อที่หนึ่งมีว่าสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่พวกมนุษย์และพวกเทพบางพวกพวกวินิบาณบางพวกผู้ที่รู้ชัดวิญญาณถี่สีข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งวิญญาณถี่สี่ข้อนั้น และรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณถีติข้อนั้นเขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินวิญญาณถีตินั้นอีกหรือไม่ควรพระเจ้าค่าวิญญาณถีติที่เจมีว่าสัตว์ผู้เข้าถึงขั้นอากินจัญญายตนะด้วยมณสีการว่าไม่มีอะไร เพราะล่วงขั้นวิญญาณัญจายจตนะโดยประการทั้งปวงผู้ที่รู้ชัดวิญญาณถี่สีข้อนั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งวิญญาณถี่สีข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณถี่สีข้อนั้นเขายังจะควรเพลิดเพลินวิญญาณถี่สีนั้นอีกหรือ ให่ควรพระเจ้าค่ะดูกะระอาโนนส่วนบรรดาอายตนะทั้งสองนั้นเล่าข้อที่หนึ่งคืออสัญญีสัตตายัตนะผู้ที่รู้ชัดอสัญญีสัตตายัตนะข้อ น, นั้นรู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งอสัญญีสัตตายัตนะข้อ น, นั้น และรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากอสัญญีสัตตายตนาะข้อนั้นเขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินอสัญญีสัตตายตนานั้นอีกหรือไม่ควรพระเจ้าค่าส่วนข้อที่สองคือเนวสัญญานาสัญญายตนาะผู้ที่รู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนาะข้อนั้น รู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะข้อนั้นและรู้อุบายเป็นเครื่องออกไปจากเนวสัญญาณาสัญญายตนะข้อนั้นเขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินเนวสัญญานาสัญญาญตนะข้อนั้นอีกหรือไม่ควรพระเจ้าค่า ดูกระอาโนนเพราะภิกษุมาทราบชัดความเกิดและความดับทั้งกุลและโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปจากวิญญาณถีติเจและอายตนะสองเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นอาโนนภิกษุนี้เราเรียกว่าปัญญาวิมุต